พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกรองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูรเรื่องสติ หากันมาฟังมากไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังแล้วการฟังธทรรมก็เปรียบได้แก่การเตรียมเครื่องทัพสัมภาระสาหรับทาการงานคร้นเตรียมมาแล้วเครื่องกลเครื่องไก่ที่เตรียมมาแล้วไม่ทำก็ขึ้นขี้สนิมเปล่าฉันใดก็ดี การสดับรับฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้นแหละครั้นเราเชื่อคำสอนของพระองค์แล้วเป็นผู้ดำเนินตามเป็นผู้ลงมือดำเนินตามเราเองกระทาด้วยตนเอง เพราะเหตุนั้นจะว่าโดยย่อๆเท่านั้นละ่ะอัตมาไม่มีคำพูดหลายเพราะอยู่ป่าอยู่ดงจะว่าให้ฟังอย่างย่อๆพอเป็นหลักดำเนินปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายศา ส, สนาคำส่องสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตามตู้ตามใบราน อันนั้นเป็นเครื่องชี้บอกทางผู้จะดำเนินตามศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือก้อนธรรมอยู่จำเพาะใครจำเพาะเราแก่นของธรรมแท้อยู่ที่สติให้พากันหัดรมสติให้ดีให้สำเนียกให้แก่กล้า สตินะ่าทำเท่าไรไม่ผิดสตินะ่ะให้มันมีกำลังสติดีแล้วจิตมันจึงรวมเพราะสติคุ้มครองจิตเพราะสติก็แม่นจิตนั่นแหละหากลุ่มลึกกว่ารันใจนึกขึ้นว่าสติก็ใจนั่นแหละเป็นผู้นึกขึ้นเรียกว่าสติ เพราะสติก็แม่นใจนั่นแหละพวกเดียวกันเพราะเหตุนั้นพวกเราต้องอบรมสติครั้นมีสติแก่กล้าทำให้มันดีแล้วไม่พลาดทำก็ไม่พลาดพูดก็ไม่พลาดคิดก็ไม่พลาดย่อมถูกไม่ผิดพากันทาเอาทม แปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์อยู่กับสติอันเดียวพระพุทธเจ้าว่าแล้วในโอวาทปาติโมกไม่ใช่เหรอยานิกานิจิชังคลานิปานานังปัทชาญปานิสัพพานิตานิหัตถิปเทสะโมทานังคัดฉันติหัตถิปทังเตสัง อคคมัคคยาติยติทางมหันตเตนะครั้นเทียบในบรรด า, าสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารจักรท่องเที่ยวอยู่ในพื้นปัตถีรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายไปรวมอยู่ในรอยเท้าช้างอันเดียวมีรอยเท้าช้างเป็นใหญ่กว่าเขารวมมดราชสีอะไรลงไปรวมมด ชันใดก็ดีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่สติเยเกจิกุสลาธรรมาสพเพเตอปมาธามุดกลาอปมาทะสะโมสารนาอปมาทโทเตสังอครมักขยาติกุสลธรรมทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลอยู่กับสติแล้วบุญกุศลเขาหมูลกุศลทั้งหลายมาสมสรมารวมอยู่ในสติสติเป็นใหญ่เพราะเหตุนั้นครันรู้อย่างนี้แล้วว่าสติเป็นแก่นธรรมแก่นธรรมก็แม่นอันนี้อยู่สำหรับทุกคนทีเดียวทุกขณะมีอยู่ทุกคน พระพุทธเจ้าตรัสรู้ของจริงผู้จะรู้เท่าตามจริงทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ทุกรูปทุกนามแต่อาศัยว่าเราหลงจิตของเราเปรียบอุปมาเหมือนเด็กอ่อนอ่อนแออยู่เพราะเหตุนั้นแหละสติเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงก็เจ้าของนั้นแหละจิตนั้นแหละ พอมันระลึกขึ้นก็แม่นสติแล้วสตินั้นอบรมจิตครั้นอบรมจนมันรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้วมันจึงหายหลงหลงเพราะไม่มีสติครั้นมีสติคุ้มครองหากทาให้มันแน่วแน่ให้มันแม่นยำให้มันสาเนีกแล้ว มันจะรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างสติเป็นเครื่องตีคือตีสนิมของมันเกลียบดวงจิตเรียกว่าความหลงเรียกว่าอาวิชชาจิตนั่นแหละตัวอวิชชามันหลงเรียกว่าอาวิชชาจิตมันหลงที่สนิม มันก็อยู่กับอวิชชามันหลงนั่นลหละขี้สนิมโอบมันความหลงนั่นลหละแต่ก่อนจิตผ่องใสพระพุทธเจ้าจึงว่าปภัสระมิถังพิกเวจิตตังตันทโขอาคันตูเกหิอุปากคีเลเสหิอุปากกิริถังจิตเดิม ธรรมชาติเลื่อมประพัดสอนแต่อาศัยอคันตุกะกิเลสคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเข้ามาสัมผัสแล้วมันหลงไปตามจึงเป็นเหตุให้จิตนั้นเจ้ามองขุนมัวไม่รู้เท่าอาวิชชาปัจจัยของมัน ความโง่เรียกอวิชาเหมือนกันกันกบเหล็กเหล็กนั้นมันก็ดีๆอยู่นั่นหละแต่สนิมมันเกิดขึ้นในเหล็กนั่นแหละแต่เขาตีขัดกา่าจนเป็นดาบคมได้ใช้การได้ถ้าไม่ตีมันก็อยู่อย่างนั้นสนิมกินเสียจนใช้ไม่ได้จิตของเราก็ดี อาศัยสติเป็นผู้ขดัดเกลาอาศัยสติเป็นผู้คุ้มครองเชื่อมัน่นอันที่จริงอคันตุ ก, กะกิเลกก็ไม่เป็นปัญหาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกไม่เป็นปัญหาเขามมลละมูมเร ข, ของมันก็คือกามกามาสวะ อวิชาสวะสามอันนี้เป็นอนุัยเป็นสนิมของมันเป็นสนิมหุ้มห่อจิตให้มืดมนเพราะเหตุนี้แหละเราหัดสติทำสติให้มีกำลังเมื่อสติมีกำลังแล้วจิตมันก็จะรู้เท่าตามความเป็นจริงขันมันมีสติแล้ว ก็เกิดสัมปัญญะความรู้ตัวพร้อมก็หมายความว่าดวงปัญญานั้นแหละยานก็ว่าปัญญาก็ว่าสติกับความรู้ถึงพร้อมทำสองอย่างนี้เป็นของคู่กันพอเราระลึกขึ้นแล้วสัมปัญญะรู้ว่าถูกหรือผิด รู้พร้อมๆจิตรู้พร้อมนี่แหละอบรมดีแล้วมันจะมีกําลังความสามารถสามารถทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจะแทงตลอดได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรก็ดีจิตดีทั้งนั้นมันสามารถอย่างไฟไม่บ้านมันมีกําลังจิตของเรา แม้อบรมดีแล้วมันมีกำลังมีกำลังที่สุดทีเดียวสามารถจะหอบเอาของหนักนั่นออกจากไฟได้ดับไฟได้แล้วไฟดับแล้วจะหามสามถึงสี่คนยังหามไม่ไหวเลยกำลังจิตเท่านั้นนั่นหละเพราะเหตุนั้นเราหัดดีแล้ว ก็เหาะได้เหาะได้เหมือนพระโมคคลลาเจ้าพวกเราสงสัยสงสัยว่าเหาะขึ้นก็คือนั่งอยู่นี่แหละแต่จิตนั้นไปสวรรค์ไปนรกไปนั่นๆั่นละอันนั้นก็แม่นแต่ว่าไปได้จริงๆริงเหาะเอากายไปได้จริงๆคิดดูเถอะนั่นแหละ ให้พากันมาอบรมจิตพวกเราอะไรอะไรก็ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพวกศรัทธาทั้งหลายก็นับว่าเป็นผู้สูงเป็นผู้สูงอยู่แล้วศรัทธาก็มีอยู่แล้วได้สดับรับฟังแล้วก็มีแต่จะทําเอาเท่านั้นแหละ ให้พากันทำเอามันจะอยู่ไหนทำทั้งหลายมันก็อยู่นิละ่ะแก่นแท้มันคือสติให้ทำเอาทำให้มีกำลังครั้นสติดีแล้วมันรักษาจิตของมันไม่ให้สายออกไปตามอารมณ์สติขนาบเข้ามาเข้ามาสติ แก่กล้ามันเป็นอย่างนั้นแหละครั้นสงบลงแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีปัญญาไม่มีปัญญามันก็สายไปพอมันไปหลายๆครั้งก็เป็นอาการของมันมันไปตามแง่ของมันคือเวทนามันเป็นเพียงแสนของจิตสัญญา มันก็เป็นแสงของจิตสังขารความปรุงมันก็เป็นแสงของจิตวิญญาณที่รู้ทวารทั้งหกก็เป็นแสงของจิตออกไปทั้งนั้นผู้รู้แท้ถ้าจะสมมุติว่าตนก็แม่นจิตเจ้าจิตนั้นแหละสมมุติว่าตนนอกจากนั้นเป็นอาการทั้งนั้น รูปอันนี้ก็เป็นแต่เพียงธาตุประชุมกันธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันทั้งนั้นดังนั้นเมื่อจิตสงบลงไปเวทนาก็ดับแล้วพอมันสงบลงไปคนนี่มีอะไรละ่ะมันจะมาเจ็บมาทุกข์อะไรละ่ะ มันจะมาจําคนไม่มีมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นเมื่อจิตสงบลงหลักมันสว่างโล่ขึ้นว่างว่างความจําหมายก็ไม่มีความปรุงก็ไม่มีวิญญาณที่รู้ไปทางทวารทั้งหกมันก็ไม่มีมันดับเองเพราะว่า ของไม่มีหมดแล้วของเหล่านั้นเป็นของหนักคลั้นใครยึดถือไว้เป็นของหนักไปถือขันรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณะขันอันนี้ก็ไปยึดไว้ไปยึดก็ได้ชื่อว่าถือหาบอันหนัก พระพุทธเจ้าท่านว่าภาราะเวบรญจักขันธาขันห้าเป็นภาระอันหนักเนื้อขันห้าก็รวมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภาราหะหโรจะบุคครโใครถือไปเป็นทุกข์ภาราทานังทุกขังโลเก ภาระนิกะเคปนังสุขขังผู้วางภาระคือวางความยึดถือว่าขันห้าอันนี้เป็นตัวเป็นตนแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วชื่อว่าเป็นผู้วางภาระไม่ยึดไม่ถือแล้วต้องมีความสุขจะนั่งยืนเดินก็มีความสุข นิคิติตวาคดุงพรังเมื่อไม่ถือเอาขันห้านี้เป็นภาระแล้วเพราะรู้เท่าตามความเป็นจริงของมันแล้วไม่ยึดถือเอาอัญยังพารังอนาทียสมูลังตันหังอัพุยหะคือได้ชื่อว่าเป็นผู้ตัดตัญหาขึ้นได้ทั้งรากนิชาโตปริณิพุตโต เป็นผู้เที่ยงแล้วเที่ยงว่าจะได้เข้าสู่ความสุขตามสเสด็จ พ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เที่ยงแล้วเมื่อจิตมันรวมแล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริงมันจะว่างวางนั่นแหละพอจิตรวมแล้วมันก็ว่างค้นหาตัวไม่มีพอมันสงบแล้ว ปัญญามันเกิดขึ้นของมันเองครั้นมันสงบลงถึงฐานถึงที่มันถึงอัปปนาแล้วมันเกิดขึ้นเองนะพอนึกเท่านั้นมันปรุงฟุ้งขึ้นมันปรุงแล้วมันไม่ไปยึดแสงสว่างสว่างหมดทั้งโลกนี้ก็ตามมันไม่ไปยึดมันสาวข้อหาคน ไหนคนคนอยู่ไหนมันจะอวดว่าตนว่าตัวไล่เข้าไปถ้ามันรวมลงอย่างนั้นก็อาศัยสติควบคุมให้มันอยู่อย่าให้มันไปจิตรวมลงอย่างนี้แย่นใสทีเดียวไม่ใช่มันง่วงนอนมันไม่ใช่วิสัยของสมาธิ อันนั้นละ่ะมันแจ่มใสยอย่างนั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิอันถูกต้องแล้วก็แม่นมันนั้นละ่ะแม่นจิตนั้นละ่ะเป็นตัวศีลล่ะจิตนั้นละ่ะเป็นตัวสมาธิจิตนั้นละ่ะเป็นตัวปัญญาอันเดียวนั้นละ่ะ มันจะถึงอาทิศิลอาทิจิตอาทิปัญญาได้ก็อาศัยสติควบคุมพวกศรัทธาได้ยินได้ฝังแล้วให้พากันตั้งใจทามันไม่อยู่ที่อื่นหนาะไม่ได้ไปเอาที่อื่นหนาะอยู่จำเพาะใครจำเพาะเราหนิหนาะ ไม่ได้ไปควา้าเอาที่ไหนดอกทำหนะยกขึ้นก็ปะไปโลดเห็นไปโลดนึกขึ้นก็เห็นไปโลดแล้วก็คุมสติเอามันจะรู้เองปัจจัตังสันทิติโกจะเห็นเองนั่นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลา จิตเราหายจากราคะแล้วก็รู้จำเพาะตนจิตเรายังมีราคะก็จะรู้จิตมีโทสะก็จะรู้หายจากโทสะก็จะรู้จิตมีโมหะความหลงงมงายก็จะรู้จิตหายโมหะก็จะรู้จิตหดหู่ก็จะรู้ จิตฟุ้งซ้านก็จะรู้รู้แล้วรู้แล้วก็จะได้จัดการแก้ไขรู้ก็ดีจะได้เพิ่มศรัทธารีบเร่งความเพียรเข้าอีกเอาละพากันทำเอาไม่อ้างที่อ้างฐานดอกอยู่ที่ไหนก็ได้เวลามันสงบ มันก็จะมีอยู่นั่นล่ะ